you <laughs> เป็นหญิงนะเป็นคนเชว้ชาติใดชนชาติใดก็ตามนะอาจจะอยู่นลประเทศพลภาษานะพลวัฒนธรรมแต่เรามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันโดยเฉาะเรื่องของจิตใจจิตใจเรามีเหมือนกันทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นคนไทยนะหรือ คนเพื่อชาติได็ก็ตามเนี่ยจะมีจิตเหมือนกันคนญี่ปุ่นมีจิตไหมไหนใครมาโดยไม่มีจิตอ <c oughs> แล้วตอนนี้จิตอยู่ไหนนะ <c oughs> อยู่ที่ <c oughs> นี่หรืออยู่ที่ญี่ปุ่น <c oughs> อยู่นี่นะทําไมตอบแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยเร <c oughs> <c oughs> ื่องสงสัยว่าเรามีจิตหรือเปล่า <c oughs> จิตเราอยู่ตรงไหน <c oughs> โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยร่างกายเราอยู่ที่ไหนก็ตาม ใจหรือใจหรือจิตเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นแหละถือว่าเป็นหนึ่งชีวิตเนี<อ>่ยทวารการอยู่นี่ใจไปอยู่ญี่ปุ่นหรือไม่ยื่นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไห น, เ, นเราก็ถือว่าไม่มีชีวิตแล้ว <c oughs> เรามีแต่ร่างกายคนตายเนี่ยคนตายเนี่ยเขาก็มีร่างกายนะแต่เขาไม่มีจิตใจ <c oughs> เพราะนั้นเรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เราต้องมีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ ได้คนเลยนะมันเหมือนกันอยู่อย่างนลยที่ว่ารักความสุขเกลียดความทุกข์ <c oughs> อยากได้ความสุขเราก็วิ่งสแสวงหาแล้วเราก็ไม่อยากได้ความทุกข์เราก็มกกักจะหนีแล้วก็ปฏิเสธคือสรุปลงที่ว่าเราดึงความสุขเข้ามาตัวเราแล้วก็ตรงกันข้ามคือผลักใสความทุกข์ให้มันห่างไกลจากตัวเรา มันกลายได้ว่าเราจะคอย่คว้าหาความสุขได้มากแค่ไหนแล้วก็จะหนีความทุกข์หรือจะผลักให้มันไกลได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะเนี่ยอาการเจเนียมเลยทำให้คนเราเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยอเหน็ดเหนื่อยในการสแสวงหาแล้วก็การวิ่งหนีสแสวงหาความสุขและวิ่งหนีความทุกข์นี่คือการเหน็ดเหนื่อยของทุกชีวิต มันเหนื่อยแต่เริ่มแสวงหาความสุขแหละ<ส>พอแสวงหาแล้วเนี่ยเราก็รักษาไว้หวงไม่อยากให้ใครแย่งไปเสร็จแล้วความสุขก็อยู่กับเราได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกฎของธรรมชาติคือความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีการเสื่อมสลายไปแล้วเราก็ต้องแสวงหาอี ก, กเสียเงินเสียเวลาบางทีได้กับ เสียชีวิตเลยก็ว่าได้นะเสียสุขภาพร่างกายอันนี้การเข้าหาความสุขความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะความทุกข์ก็เช่นเดียวกันเนะี่ยแม้เราจะวิ่งหนีหรือปลักสายปฏิเสธขนาดนั้นก็ตามนะที่นั้นมันก็ยังตาบล้ออยู่เรื่อยๆเราแก้ไขหรือปฏิเสธเปลักสายได้ชั่วขณะหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นะและสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราอีก แมเมืม่อกี้เนี่ยพอเห็นนั่งกันสักพักหนึ่งแล้วก็มีการขยับนะ <_ d ata> ขยับทําไมเราต้องขยับทะเยื้นเคลื่อนไหวด้วย <_ d ata> ต้องขยับเพราะอะไรรู้ไหมเราขยับไปได้เดี๋ยนั่งนิ่งพอได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราต้องขยับยนะอีกเพราะเราล่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์ที่มันบีบคั้นึนจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะเราหนีไม่พ้นเลยความสุขนะถ้าเราหนีไม่ถูกเขาเพราะนั้นในเรื่องความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเนี่ย มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความไม่แน่นอนนี่ความไม่แน่นอนเห็นไห ม, ไมอันเนี้ยคือเรื่องของความสุขความทุกข์ที่เราวิ่งหาแล้วก็วิ่งหนีเนี่ยนี่เรื่องของจิตใจจิตใ จ, จที่ที่เราอยู่ที่เนี้ที่ตัวเราที่เราคิดแสวงหาแล้วก็วิ่งหนีเนี่ยตามธรรมดาแล้วเนี่ยใจของคนทุกคนไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ย right, ใจคนทุกคนเนี่ยมันมันเป็นปกติ จิตใจที่เป็นจิตเดิมแท้ๆของเก่าดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นปกติมันไม่สุขมันไม่ทุกข์จิต ด, ดั้งเดิมที่เราเกิดมาเนี่ยเรื่องของจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์มันไม่โง่มันไม่ฉลาดแต่มันมีความผ่องใสความสดใสเป็นปกติของเขาอยู่ก่อนแล้วนี่แหละคือปกติของเขาแต่สิ่งเนี้ย มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่เมื่อมันมีความสุขหรือมีความทุกข์เข้ามาทําให้จิตใจตรงนี้มันเปลี่ยนแต่คําว่าเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะหายไปไหนนะมันมีอะไรมาเคลือบทําให้หมัวหมองเวลามีความสุขมากระทบอาจจะเป็นทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกหรือทา้งรสชาติอาหารเป็นความสุขที่มากระทบปั๊บติดมันก็จะปูขึ้นมาเห็นไหม จิตมันเริ่มหวั่นไหวไปตามอารมณ์เวลาเรามีความสุขวัวเลาะชอบใจใช่เวลาเราดูหนังสักเรื่องหนึ่งสนุกเราก็จะหัวเรานะเนวัวเลาะตรงนี้แหะสังเกต ด, ดูด็จิตใจเราเนี่ยจะรู้สึกเรารู้สึกเหน็บเนื่อยะจิตมันเสียความเป็นปกติหัวเราะทั้งวันนีเหนื่อยไหมเราว่ามันคือความสุขใช่ไมใ้้เราก็ชอบที่แสวงหาความสุข จากความวุ่นวุ่ตั้งวันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหายไปอยู่ดีพอมันหายแล้วจิตจะอยู่เป็นปกติเหมือนเดิมเวลาเราสังเกตเราเจอความทุกข์สิ่งที่เราไม่ชอบใจเช่นความโกรธเนี่ยเช่นความโกรธเกิดขึ้นกับตัวเราใจเราเหนื่อยไหมรู้สึกมันกระวนกระวายใจไหมแล้วมันก็อยู่ดีเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยตามกฎของความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงธรรมชาติ และจิตมันก็เป็นปกติเหมือนเดิมเวลาความโกรธมันหายไปจากจิตใจจิตเราก็อย่างนี้แหละเวลามันเจอความสุขมันก็เบิกบานมันก็เหน็ดเหนื่อยตอิกแบบหนึง่งแล้วความสุขก็หายไปแล้วต่อไปก็จะมีความทุกข์ความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วสินี้ก็หายไปจิตก็เริ่เป็นปกติเหมือนเดิมโดยธรรมชาติของเขาเห็นไ่มจิตใจเราก็อย่างเงี้ยดีใจความสุข เสียใจความทุกข์สวิงขึ้นสวิงลงอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ไม่เห ม, มี่ยตรงกลางนะ่ะคือความเป็นปกติความผ่องใสเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นจิตเดิมแท้ๆใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นว่ามีทงทงปักอยู่ทงปักอยู่นิ่งๆนะเี่ยทงเนี้ยโดยที่ําเดิมนะเนี่ยมันจะนิ่งมันจะไม่มีการหวั ไอ้ที่มันไหวไปเพราะว่ามันมีลมมันมีลมพัดไปนะใจเราก็เหมือนธงที่ปักนิ่งเอาไว้แต่เวลามีความคิดหลือลมสุขทุกเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ใจเราต้องวันไหวไปตามแต่พอวันทางวันไหวไปทางความสุขเราก็ชอบผนได้แต่พอวันไหวไปทางความทุกข์ขึ้นความโกรธความแม่พอใจเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจะเป็นคนไม่ค่อยได้ เพว่าจิตใจเราเนี่ยมันยังไม่มีความยังไม่มีกําลังยังไม่เข้มแข็งยังขาดสติรักษ า, าจิตให้เป็นปกติอยู่ถ้าเรามีสติรักษาจิตเอาไวา้เวลามีความสุขมากระทบเราก็รู้ทันไม่ปล่อยใจให้วันไหวไปตามความสุขนนั้เราไม่ได้ห้ามความสุขและไม่ได้ห้ามสแสวงหาความสุขแต่ให้รู้ทันในความสุขที่มาสู่ตัวเรา ในทางตรงข้ามเราก็ไม่ได้ห้ามความทุกข์ไม่ให้เกิดหรือไปผลักไสแต่เวลาเกิดความทุกข์เราก็มีสติรู้ทันการมีสติรู้ทันทุกครั้งเนี่ยเท่ากับกจิตเรามีกําลังด้วยสติรู้เท่าทันอารมณ์ของความสุขความทุกข์สติจะช่วยรักษาจิตให้เป็นปกติผ่องใสเหมือนเดิมเมื่อเรามีสติ สติทําให้จิตใจเราเนี่ยมันเกิดเป็นสมาธิตั้งมั่นมีกําลังเนี่ยมันทให้จิตใจเราเนี่ยมีความสดใสเบิกบานเพราะไม่ถูกอารมณ์ของความสุขความทุกข์มาครอบคุณพรจิตที่สดใสเบิกบานเนี่ยทําให้สุขภาพจิตดีเมื่อสุขภาพจิตดีแล้วทําให้สุขภาพกายเนี่ยมีภูมิมต้านฐานโรคได้ดีมากจิตที่เป็นปกติมีสติคุ้มครองรักษาอยู่เนี่ย จะสามารถทํางานได้ดีที่สุดเรามีหน้าที่อะไรก็ตามถ้าทําหน้าที่นั้นด้วยความเป็นปกติของจิตที่มีสติคุ้มครองอยู่จะทําได้ดีที่สุดมันจะไม่มีปัญหาเอย่างเช่นเวลาขับรถเนี่ยการขับรถเนี่ยเรามีจิตจุด่สองอย่างที่ขับรถถ้าจิตเราเนี่ยมันมีความสุขหัวเลาะล่าเริงแล้วขับรถเนี่ย จิตไม่ปกติเนี่ยอันตรายนะ mm hmm. ต้องเกิดความประมาทได้ง่ายเมื่อวานเนี่ย mm hmm. ไปขัางนอกมามันมีรถรถบัสคันใหญ่เลย uh huh. แล้วเขาพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะตีกรองร้ oh. องเพลงเสียงดัง mm hmm. เนี่ยคนขับที่ขับรถอยู่เนี่ยถ้าคนขับจิตไม่ปกติเนี่ยวัวเลาะพยามตามสียเลงเนี่ย มันมีสิทธิ์ที่เกิดรูปภัยเหตุเลยนะครับขับรถไปกินเหล้าสาเกไปอดูซิขับรถไปกินเหล้าสาเกไ ป, ม, ไ ป, กกไปมันสนุกเนี่ยมันอันตรายหรือขับไปก็เพื่อรีบเพื่อไปให้ถึงให้ถึงไม่ไวเนี่ยปิตใจไม่อยู่กับการขับรถเนี่ยมันอันตรายหรือขับรถไปโกรธไปทุกไปนี่อันตรา ย, นยคนขับรถ หน้าที่ขับรถจะขับรถให้ความเคยความปลอดภัยต้องด้วยใจที่เป็นปกติจิตปกติหรือสติในจิตใจมันขับรถแบบมีความสุขมากกว่ามันเป็นความสุขแบบแบบไม่ใช่แบบหัวเราะสุขแบบสงบเย็นแบบสบายใจอย่างเยผ่อนคลายเป็นความสุขภายในที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นมาดัว่วเห็นไหมพวกเราไปนักศึกษานักศึกษาเนี่ย เราต้องมีการสอบการสอบเป็นสำคัญมากต้องสอบไหมการสอบสอบด้วยใจที่ไม่ปกติเนี่ยดีใจเปิดเข้าสอบมาโอ้โหข้อสอบง่ายเหลือเกินอย่างนี้หลับตาทําก็ได้เนี่ยเห็นมันง่ายเกินไปแล้วมันมีความจุลล่าเริงในการสอบเนี่ยมันทําให้เราเกิดความประมาทนะอาจจะทําคําตอบได้ผิดก็ได้นะ mm hmm. นะสอบด้วยใจที่ไม่ปกติเนี่ย ในการหนึ่งก็คือเปิดข้อสอบมาเนี่ยมันยากเหลือเกินโอ้โตกอีกแล้วเราตกอีกแล้วใจไม่ดีใจไม่ปกติมันข้อสอบมันยากเกินไปใจไม่ปกติเนี่ยทําข้อสอบก็ไม่ดีนะเราต้องสอบด้วยใจที่เป็นปกติ เ, เตรียมหนังสือไว้อ่านหนังสือมาดีแล้วเปิดข้อสอบด้วยใจปกติอ๋อไหนทําได้ก่อนก็ทําก่อนไหนทําไม่ได้ก็เอาเว้นไม่ก่อนอทําใจปกติ ใช่ไเวลาเราสอบเนี่ยอาจารย์ที่คุูสอบจะบอกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเยนใช่ไหม mm hmm. ใจเย็นเย็นคือใจที่เป็นปกติ mm hmm. ถ้าเรามีสติรักษาใจเป็นปกติ mm hmm. เอาไว้ใจมันจะเบิกบานผ่องใสข้อมูลต่างๆที่เราดูหนังสือมาความรู้ต่างๆประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะสามารถนําเอามาใช้ได้ดีที่สุดเ mm hmm. มื่อใจที่เป็นปกติ mm hmm. เราต้องมาฝึก <laughs> มาฝึกเจริญสติมาอีมาโกโกกันเราต้องมาฝึกเจริญสติเนี่ยเพื่อให้จิตใจเราเนี่ยมันมีกําลังใจเราจะได้มีสมาธิเป็นปกติเรามาฝึกเี่อย่างเมื่อกี้เนี่ยสิบสี่จังหวะนะสิสี่จังหวะเนี่ยให้มีสติให้รู้ให้รู้สึกอย่างเงี้ยสิี่จังหวะเนี่ยเพื่อทําให้ใจเราเนี่ยมีความรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาปรุงแต่ง ถ้าเราไม่มีการฝึกสติไม่ให้อยู่กับตัวเราเนี่ยใจเราก็จะคิดคิดไปญี่ปุ่นคิดถึงคนที่เรารักแล้วก็คิดสารพัดอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรา<ม>เรียกคิดฟุ้งซ่าน<ม>ถึงกับนอนไม่หลับก็มีนะบางทีคิดมากพาตัวเองไปฆ่าตัวตายก็ได้ถ้าเราบางทีเราก็ไม่คิดอะไรแล้วอาจจะหลับเผลอหลับนั่งเฉยก็หลับ เพราะเราปิดเราเนี่ยไม่มีความรู้สึกตัวเพราะจิตมันไม่ปกติอะจิตมันไหลไปตามอารมณ์ฟุ้งซ่านกับอารมณ์ง่วงหลักก็ได้ความเครียดเกิดจากจิตใจไม่ปกติอาการซึมเศร้าก็เหมือนกันจิตใจเราก็ไม่ปกติเราต้องก็มาฝึกสติเอาไว้ฝึกให้มากๆให้มันเข้มแข็งจะได้ไม่วันไหวไปกับอารมณ์ ความสุขความทุกข์ที่มากระทบใจเรามเวลาเรามีความรักมากระทบใจเราเราก็หลงปล่อยใจหลงไปรักเ้าเรียกหมดเนื้อหมดตัวไยเกิดความโกรธเหมือนกันนะเวลาโกรธเนี่ยสติเราไม่เพียงพอใจเราไม่เข้มแข็งเวลาเกิดความโกรธเราก็โกรธนะไปว่าเขาไปทาร้ายเขาเพราะเราลืมตัว เราไม่ได้ห้ามความโกรธไม่ได้ห้ามความรักไม่ได้ห้ามความคิดฟุงงร้านแต่เราให้มีสติรู้ทันอารมณ์เหล่า น, นั้นซะนะ mm hmm. เราจะต้องมีการฝึกฝึกสติให้จิตใจมันเข้มแข็งให้มันตั้งมัน mm ่น hmm. ด้วยสมาธิให้ได้ mm hmm. เห็นประโยชน์ไหมข mm hmm. องการฝึกสติ mm hmm. ถ้าเรามี mm hmm. สติเราก็อยู่กับปัจจุบันกายอยู่ไหนใจอยู่ที่นั่น กายเราทำอะไรใจเราก็ทำอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเวลาใจเรามันคิดโลภโกรธหลงสติเราก็รู้ทันมันเป็นเรื่องของชีวิตเราแท้แท้แล้วเวลาเวลาฝึกนี่สำคัญมากมันไม่ยากเียนในการฝึกพงแต่แมมีรูปแบบที่เราทำเมื่อเนี่ยเช้าเนี่ยในรูปแบบถึงสติจังหวะ เวลาพลิกมือรู้เพ่านั้นเองยกมือรู้นะให้รู้อยู่ตรงเนี้ยเวลาเอาเข้ามาก็รู้รู้เฉยๆรู้ธรรมดาแค่รู้น่อจบลงที่รู้นั่นรู้ทีขณะทีละขณะรู้แบบอย่าจับนะรู้แบบแตะๆเบาๆรู้แบบผ่อนคลายแบบสบายๆยิ้มๆเนี่ยรู้อย่างเงี้ยเรื่อยๆเป็นการสะสมสติเอาไว้ เวลามันเผลอไปก็เริ่มต้นรู้ใหม่เวลามันเผลอไปอีกก็รู้ใหม่เผลอกี่ครั้งก็รู้ให้ได้ทุกครั้งเนี่ยเป็นการฝึกเราจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวเราจะได้มาสนใจตัวเราให้มากจะได้ไม่หลงไปกับอารมณ์มาอยู่กับเนื้อกับตัวเรากลับมากลับมากายมันเป็นบ้านใจเป็นผู้อาศัยพอใจอยู่กับกายแล้วก็ปลอดภัยแล้ว นอกเหนือจากการทำแบบรูปแบบแล้วเนี่ยเราก็ทำในเวลาอื่นก็ได้เช่เวลาเราเดินไปไหนเราก็รู้รู้ประจวบนว่าเรากำลังเดินทานข้าวเราก็รู้รู้ตัวว่ากำลังทานข้าวดื่มน้ำก็รู้เวลาเราแต่งตัวเราก็รู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไร <c oughs> คนทั่วไปเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยใจเลื่อนลอยทำด้วยความเคยกิน <c oughs> ไม่รู้ตัว เวลาร่างกายเราป่วยมีการเจ็บป่วยใจก็ไม่ได้รู้หรอใจมันเป็นทุกข์ร่างกายป่วยใจก็ป่วยด้วยเห็นไมความป่วยไข้เป็นเรื่องของร่างกายแทๆ้ๆแต่ใจทำไมต้องเป็นทุกข์ด้วยเพราะใจเราอ่อนเอรถ้าใจเรามีสติอ๋อกายป่วยก็รู้แล้วก็พาไปหาหมอเห็นไหมใจมันไม่ทุกข์ การฝึกมีประโยชน์นะ<ม>ฝึกไม่เลื่อยแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเคยกินที่จะรู้สึกรู้สึกแต่ก่อนเราไม่เคยฝึกเลยทำไรได้วยความเคยกิ น, <ม>นกายอยู่นี้ใจอยู่ไหนจะไม่รู้พอเร า, าฝึกแล้วเนี่ยบ่อยๆเกาเนี่ยการฝึกบ่อยๆเนี่ยทํำให้มันรู้ตั ว, วได้บ่อยๆ ม, มันจะรู้เองแบบอัตโนมัติเมื่อกี้นี้เข้าใจไหมเป็นหลักการเป็นแค่หลักการเท่านเอกเห็นไหมใจคนไทยพูด ทำไมใจคนญี่ปุ่นถึงเข้าใจได้ uh huh. แล้วว่ามันเหมือนกันนผมก็ฝึกนะแต่ผมยกมืออย่างนี้ไม่ได้หรอกเมื่อก่อนเนี่ยมือมันไม่ไ ม, ไม่แข็งแรง uh huh. ก็นอนพิกมือรู้รู้สึก uh huh. นอนพิกไว้ได้แค่สองอย่างเนี่ยวันหนึ่งทำอยู่หกเจ็ดชั่วโมงนอนทำอยู่บนเตียงเวลาเราเคลื่อนไหวไปพับป้าห่มเราก็รู้สึก แปลงวันแปลงวันแล้วก็รู้สึกใจยอยู่กับการแปลงฟัน<ม>การทิ้ตัวเราทําเพื่อจะทําไม่ได้ทําเพื่อจะเสร็จเช่นเวลาเราพับผ้าห่มเนี่ยเราพับผ้าห่มสักผืนหนึง่งเราก็ทําเพื่อจะทําไม่ได้ทําเพื่อให้เสร็จให้จิตใจอยู่กับการที่เรากำลังจะทำอยู่ถ้าใจอยู่กับการเสร็จเนี่ยเราจะรีบทําแบบไม่เรียบร้อยเพราะเราทําอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยโดยที่ใจเราอยู่ตรงนี้ ใจเราไม่ได้หวังว่าให้มันเสร็จให้มันสวยไม่ได้หวังถ้าไปหวังตรงนั้นเนี่ยใจมันจะดิ้นหล่นมากจะไม่มีความสุขแต่เราทํางานเราตรงนี้ใจอยู่ตรงนี้มันก็มีความสุขและทําได้ดีด้วยนะนมาเคลียร์าบคนการใช้ชีวิตอย่งมีความสุขการทํางานอย่งมีความสุขการเรียนอย่างมีความสุขก็ต้องเอาใจายอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นให้ได้มันจะมีความสุขตรงนั้น และเมื่อผลงานสำเร็จแล้วเราก็จะมีความสุขเห็น ไ, ไหมมันได้รับความสุขก่อนเลย<ม>ก่อนที่ผลงานจะสะําเร็จได้รับความสุขแล้วก็งานก็เรียบร้อ ย, ยถ้าผมไม่ทําอย่างเงี้ยไม่เคลื่อนไหวไม่มีสติรู้อยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะคิดมากผุ้งซ่านเราดับความคิดตรงนั้นไม่ได้แต่เราเปลี่ยนปิดมารู้สึกกับตัวเราซะเนีย่ยกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทําอะไรใจก็อยู่ตรงนั้น ม, มันจะได้มีกําลัง ไม่ปล่อยใจวิ่งไปตามอารมณ์ที่มาคิดมากมากเนี่ยคนเราสมัยเนี้เป็นทุกข์เพราะไม่มีอะไรทํายานก็คิดฟุ้งซ่านหรืออย่างหนึ่งก็คือเป็นทุกข์เพราะทํางานมากเกินไปทุกข์เพราะว่างงานไม่มีอะไรทํากับทุกข์เพราะงานมันยุ่งอันไหนมันทุกข์มากกว่ากัน เอาง่ายๆเคยอยู่เฉยๆโดยไม่ทําอะไรไหมอยู่บ้านเปล่าๆทั้งวันอ อ, อยู่ได้ไหมเหม็นไ่มอยู่ไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตอ่านหนังสือ <c oughs> ฟังเพลงหาอะไรทํามันก็เป็นทุกข์มากแต่ถ้าออกไปข้างนอกนี่แม้ไม่มีสาระไม่รู้ไปทําไมแต่มันก็ยังยังยังมีความผ่อนคลายมากกว่าอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำแล้วถ้าเรามีการฝึกสติให้จะอยู่กับตัวเราเอง อยู่ว่างๆไม่ทําอะไรอยู่นอนอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้เนี่ยมันก็มีความสุขได้เตรียมเอาไว้นะอนาคตไม่แน่นนความป่วยไข้มีแน่ก็หวังว่าคงจะไม่โชคร้ายพิการอย่างผมเหล่านัะไม่แน่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะผมก็ไม่คิดเมื่าผที่เป็นนี้ก็เป็นมาได้เหมือนกันนะอย่ร้องไห้เ่ยเขา อ, อยากทราบว่าต้มต้มเตน อาจารย์มีอุบัติเหตุใหม่นะฮะก็อาจารย์รู้สึกว่าอย่างไรก็บางทีก็อาจเขาสงสัยอาจารย์จิตกดดันอะไรเงี้ยมีมีรึเปล่ปาคะก็เยอะแยะนะหมายเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนที่เราก็จะมีความหวังร่างกายเราก็สมบูรณ์อายุตอนนั้นยี่สิบสี่แค่กระโดดน้านลงไปได้วยความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการ โดดลงไปจากคนปเป็นเร่ปกติเนี่ยพอขึ้นมาจากน้ำํำเราก็กลายเป็นคนพิการทันทีความหวานต่างๆก็จบสิน้นหมดอนาคตไปเลยมันไ ว, วนะเราคิดว่ามันคือความฝันเรากําลังฝันร้ายความรู้สึกเป็นอย่างั้นนะคิดว่าเราฝันร้ายเป็นอย่างั้นอยู่ตั้งสามสีเดือนนะ<อ>คิดว่าเราฝันร้าย <laughs> แล้วก็ มีอารมณ์ต่างๆมันบีบคั้นทุกทางกายที่มันวมีอาการของเวทนาเทื่อันบีบคั้นมากๆเราก็ยังพอทนได้แต่ทุกทางจิตที่มันคิดถึงความหวังที่เราจะมีอยู่ซึ่งมันดับพูดลงไปเนี่ยมันทนได้ยากมากแล้วก็เปรียบเที่ยวชีวิตเราในตอนเป็นใหม่นะระหว่างปัจจุบันกับอดีตเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยแล้วก็เสียดายพอเราคิดถึงอนาคตมันก็มืดมน ต่อไปคุณพ่อคุณแม่ท่านตายจากเราไปจะอยู่อย่างไร mm hmm. เราจะใช้ชีวิตยอย่างไร mm hmm. เมื่อเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ mm hmm. มันก็มืดมนทุกข์ทาง้านจิตใจเนี่ยมันมากกว่าร่างกายเพราะใจมันนอนแอมันคิดมากมันไม่มีอีมากกกกกก์โกโกมันแล้วมีเดือดอยปัจจุบันพอเรามาีนช่วงนั้นเนี่ยช่วงของการที่เราคิดอย่างเนี้ยมันก็นอนไม่หลับนะมันยิ่งนอนไม่หลับ สุขภาพร่างกายก็ซุดท้อไปมากขึ้นกว่าเดิมคนที่ช่วยเหลือเราเป็นสิ่งวล้อมที่ดีนั่นคือมีพ่อมีแม่แล้วก็มีเพื่อนพี่น้องนี่แหละเป็นสิ่งวิล้อมที่ดีมันช่วยทําให้เรามีกําลังใจผมเปลี่ยนชีวิตใหม่โดยการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดเพราะว่าสงสารคนที่อยู่ใกลตัวสงสารคุณแม่คุณแม่อะไรที่เหลือเราทุกอย่า ง, าางเรามองท่านในอะไรเราก็สงสารท่าน เขาคิดว่าเราจะช่วยท่านอย่างไรบ้างเห็นไหมถ้าเรามองออกไปข้างนอกบ้างเนี่ยมองคนอื่นบ้างเนี่ยมันจะเปิดใจเพราะเวลาเราเป็นทุกข์เรามองแต่ตัวเองมองแต่ตัวเองให้เราเป็นทุกข์อยู่คนเดียวในโลกเราลืมเปิดตจที่จะมองอยู่สิ่งข้างนอกพอเรามองดูแม่เราลบาบากใจเราก็สงสารเราจะช่วยเขาอย่างไรมากการจะช่วยเขาเนี่ยก็คิดว่าเออเราต้องช่วยตัวเองสิช่วยวเองมากๆ ก็เป็นการลดภาระของอท่านถ้าเราช่วยตัวเองท่านก็ไม่ต้องมาคอยช่วยเหลือเราแล้วตอนนี้ท่านมีความทุกข์มากเพราะเราป่วยแต่เราทําตัวเองให้มีความสุขทำตัวเองให้มีความสุขก่อนท่านก็ค่อยจะมีความสุขด้วยกับเราเหมือนกันนะเนี่ยก็ฝึกช่วยตัวเองด้วยร่างกายไม่ต้องมีใครมาช่วยเราช่วยเราน้อยที่สุดพยายามช่วยตัวเองเรื่องร่างกายและจิตใจเนี่ยก็สายที่หละการเจริญสติ ช่วยใจให้มันมีความสุขช่วยร่างกายด้วยการฝึกตัวเราช่วยใจิตใจด้วยอาศัยธรรมะด้วยการเจริญสติอืาเราตื่นตื่นจากความร้ายอะไรนี้ถ้าเราตื่นจากความร้าก็เพื่อคระอื่นมากใช่เนี่ยปฏิบัติทำอย่างนี้เนี่ยเจริญสติเนี่ยไม่กลับไปไปฝันร้ายแล้วไปฝันร้ายมาทางนี้มาทางนี้าานจะปลุกให้ตืน่นปลุกให้ตืน่น ถามนิดเดียวนะฮะตอบจะจบเลยอาจารย์คนนี้บอกว่า เ, เขาดูมีประโยชน์ของอยู่กับปัจจุบันนะคะแต่ว่าเวลาในโลกนี้นะคะก็เวลาดวดเร็วมากสมมุติว่า อ, อยากอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าบางคนต้องตัวเองต้องอยู่กับทํางานของอื่นทําทําของอื่นคนทำของอื่น อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจารย์รู้สึวอย่างไงก็ โรคนี้มันโรคดวดเร็วมากปวกเราบาที่ต้อติดต้องอยู่กับคนที่ทำกางเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทอยังไงดีถามแบบปัจจุบันมากเลยถามเรื่องปัจจุบันมากเลยซึ่งตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากเขาถามเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันจริงๆเนี่ยเขากำลังถามเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันนิติก็กำลังถามเนี่ย เขาเป็นคนทันสมัยถามเรื่องปัญหาในปัจจุบันทางนั้นเลยนี่แหะเดี๋ยวจะเป็นคําตอบนี่แหละเป็นคําถามที่ที่น่าจะตอบมากกับคนสมัยปัจจุบันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไวมากแล้วเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องซะด้วยเราจะทํายังไงให้เกี่ยวข้องแบบอยู่กับปัจจุบันให้ได้การที่เราตั้งใจทําอะไรสักอย่างการตั้งใจนั่นแหละการมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยตั้ง ถามด้วยความตั้งใจใช่ไหมนั่นละสติเขาเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่จะต้องทําคือขณะที่กําลังถามนั่นหล่ะติดอยู่กับปัจจุบันเรียบร้อยแต่เราไม่ได้ไม่ได้รู้ตรงนี้เรามันเป็นความเคยจิตนไปหมดการตั้งใจถามนั่นละคือการปฏิบัติตนอยู่กับปัจจุบันเลยในงานตรงนั้นขณะนั้นเราเรากําลังทํำอะไรขณะนนั้นกําลังทํางานอะไรงานแล้วก็ตามอย่างที่กำลังเขียนเนี่ย เราตั้งใจเขียนเนี่ยเราเมามีทั้งสติ ม, มีทั้งปัจจุบันพร้อมเสร็จการเขียนคือเป็นงานแต่ว่ามีสติตั้งใจทําตรงนั้นปั๊บมันจะมีสติอยู่กับปัจจุบันทันทีแ<อ>ม้จะเป็น <it. S 1> ความคิดเรื่องอดีตก็ตามที่เราคิดเรื่องอดีตถ้าเรารู้ว่าเนี่ยกําลังคิดเรื่องอดีตนั่นก็คือปัจจุบันแม้ว่าเรากําลังจะวางแผนการวางแผนงานการแพนนิ่งต่างๆยเราต้องวางแผน เรื่องของสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตเราทำได้แต่เอาตรงนั้นมาเป็นงานให้เรามีสติในการวางแผนมันก็คือการปัจจุบันบแผนนั้นมาจากปัจจุบันที่กาลังทำอยู่เดี๋ยวนี้ขนาดนั้นงานเป็นเรื่องของอนาคตแต่การวางแผนมันไปจากปัจจุบันขอให้เราทำด้วยความตั้งใจและใส่ใจสักหน่อ ย, ออยมันจะเป็นปัจจุบันทันทีคนที่ขี้ลืมคนที่ขี้ลืมเนี่ยเช่นว่าเราวาง ต้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์เอาไวา้คานอาว้แล้วก็วางด้วยความเคยชินเพราะวางแล้วเราก็ให้ทำอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ได้วางด้วยการรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ตั้งใจวางมันจริงเวลาเราเลยไปแล้วเวลาเลยไปแล้วจึงลืมว่าเราวางไว้ตรงไหนเราทำด้วยความเคยชินไม่ได้ทำด้วยความใส่ใจหรือตั้งใจนึ่จะวางก็วางแล้วก็เลยไปเลยถ้าเราก่อนจะวางเราก็รู้ นาวางก็รู้วางเสร็จก็รู้อย่างนี้ไม่มีวันเลย hmm. เราต้องมีการฝึกสติบ่อยๆฝึกสติบ่อยๆเวลาทําอะไรปั๊บสติมันจะมาทันทีเลยมันอาจจะลืมได้แต่คันดึกได้ไว้นเพราะฉะนั้นโรคนี่จะไวถ้าแค่ไหนก็ตามถ้าเราตั้งใจทําสิ่งนั้นเนี่ยรับรองเราสามารถไปทันโรคได้ hmm. Hmm. เพราะเราทําอะไรได้ทีหลายอย่างใช่ไหม เราทำได้ทีละอย่างจริงๆอย่างเช่นเวลาเราทานข้าวตาดูทีวีเนี่ยเราก็รู้ได้ทีละอย่างอยู่แล้วแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะเกิดพร้อมกันอืแต่เราก็รู้ได้ทีละอย่าง่ะขณะที่เราทานข้าวเราไม่รู้ทีวีเลาที่ดูทีวีเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติอาหาเป็นยไงเรารู้ได้ทีละอย่างอยู่แล้วไหนลองกลืนน้าลายแล้วก็หายใจด้วยสิพร้อมๆกันกลืนน้าลายแล้วหายใจด้วยลองสิได้ไหม เราต้องกล้าเราไม่ใจแล้วกลืนใช่ไหมล่ะโดยโ ต, โโตัวธรรมะใช่ไห ม, มแต่เราไม่ต้องรู้อย่างนั้นหรอกอให้เรารู้แต่เพียงว่าเราทำอะไร้ลยทีไย่างเวลาเราเกิดความโกรธเนี่ยเราดีใจได้ไหมเวลาเราเกิดความรักเราก็ไม่โกรธเพราะฉะนั้นจิตกาลังโกรธมันก็ไม่รักเราทําไปทีไรย่างอะไรสําคัญก่อนทําก่อนนักการเจรติีสําคัญก่อนต้องทําก่อนทํำบ่อยอ อยากเคลื่อนไหวฟรีๆให้มีสติรู้ด้วยเวลามันเกิดความโกรธอย่ากโกลธฟรีๆให้รู้มันด้วยให้รู้ทันด้วยพยายามที่จะเติมความรู้สึกในทุกเครียบทที่กายเคลื่อนไหวหรือใจมันคิด น, นึกต่างๆขอบคุณที่ได้ฟังที่ดีมากนะคะัอ ม, มีคำถามสอนเรื่องนะคะเอมีคำถามหนึ่งก็คือหลื่องจาก อ, อาจารย์โยมรับความพิการแล้ว เขาถามว่าก็ขั้นตอนของการผลมทุกความทุกของอาจารย์เองนะคะอยากทราบอยากทราบแล้วก็เขาตอนที่มีอุบัติเหตุแล้วก็ยอมรับความพิการใช่ไหมคะแล้วก็เขาเขาบอกว่าเรื่องฝึกปฏิบัติตามแล้วก็ผทุกมีระยะยาวแค่ไหนที่เราเจอปัญหาชีวิตอะไรก็ตามจะเป็นความป่วยไข้ความพิการ เลยความทุกข์ทางใจนะเวลามันเกิดปัญหากับเราปั๊บเนี่ยเรามากักจะต่อต้านเลยเรามากักจะไม่ยอมจะต่อต้านไม่ยอมรับเห็นไห ม, อมตอนนั้นจิตใจเราจะหนักมากจะคิดอะไรไม่ออกอมเมื่อเรากาลังแบกแบกไอการที่ต่อต้านเอาไว้หนักขึ้งมันจะคิดอะไรไม่ออกจิตเราจะหนักหนักแต่ถ้าเรายอมรับซะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆแลยยอมรับ ใจเราเนี่ยมันจะเริ่มเบารู้สึกเบาเมืม่อเราวางอะไรไปสักอย่างการยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้หรือยอมจำนนเรายอมเพื่อว่าเราจะทำยังไงทีื่อแก้ไขตรงนี้เราไม่ต่อต้านเรารู้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วปัญหาเรายอมรับจะทำยังไงกับปัญหานี้การยอมรับทําให้วางและก็เบามันจะมีวิธีคิดว่าเราจะทํายังไงในช็อตการยอมรับอย่างเงี้ยทำให้ใจเราเบาเนี่ยมันจะมีความคิดดีๆ มันจะมีความคิดดีๆมอรโรในแง่ดีและมีความคิดที่จะนำพาเรื่องการแก้ปัญหามาสู่ใจเราได้ง่ายเราจะนึกถึงเพื่อนเราหรือคนที่มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เรามีมาจเจ้าสิ่งนี้มาช่วยตัวเราได้ mm hmm. ตอนนั้นความคิดหมกมุ่นเรื่องปัญหาไม่มีแล้วมีแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ <Hey. S 1> คือตัวสติปัญญาขณะที่ผมคิดอย่างนั้นเนี่ย ผมลืมแล้วว่าร่างกายผมพิการผมว่าเราจะแก้ไขเราจะเดินเราจะทําีิตเราต่อไปอย่างไรบ้าง ม, มันไปคิดอยู่ตรงนู้นแหละมันลืมว่าเราเป็นคนที่ไม่ปกติตรงนี้แหละเพื่อนของเราเนี่ยจะนําสิ่งี้ดีๆมาบอกเราแต่บางทีมันก็ยังไม่ใช่เพราะจะมีแค่ความรู้แค่นั้นเราก็จะมีความรู้เ อ, อ้าวมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อคําเสียนบอกวิธีการที่จะออกจากั